ช่วงนี้นาผลก็อย่างที่วเรารู้เชียงใหม่โจบดีมันอาจจะจบฤดูกลอภัยทำนี้เร่ใจ เ, เชียงรายลงมาพะยาเพร น, น่้นสปโไทยสโปโไทยกำลังอวนน้ำมันจะแเพร อ, ออกทางขวา ทรายตรงลงไปอย่างนั้นตื่นหวังยมโดยเฉพาะอาเภออยูออดด่ท้ายเดี๋วเ า, าความร้อนร้อนพอสมควรบานวัดโรงเรียนแต่ว่ามีคนช่วยเหลือเพราะนั้นวัดเรารวนทางอำเภอด้วยไอ้ใรจะเป็นเจ้าหน้าอําเอ เก่าวกับวามทุนที่เราตั้งขึ้นมาจะเป็นอันเหงุผรของตัวน่ติมุนหนา่าช่วยกันจะได้ใช้ ค, คำกำหนดกันเอาไว้ว่าวันที่30 31 30เดินทางในเช้า31กับพอเราใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงเดินทาง นั้นท่านผู้ใดมีความประสงค์ที่จะเดินทางโดยทุ่อแจกทานอง่า ง, งนี้จะแจ้งความประสงค์ทางหรือบริจาคเป็นสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคก็ได้ภายในวันที่29พฤศจิกายนที่อ๋อส่วนท่านที่บริจาคแล้วบริาจาคเป็นสิ่งของหรือปัจจัยก็ดีครอบครัวจังโยงแห่ง ผมเอให้เพื่อการนงินสามเหมือนบ้าทที่เป็นหลักๆตอนนี้คุณป้าช่วย ม, มูลปลูกปิ ด, ป ด, ดอันนี้สองรอยชุดที่เราจะซื้อข้าวสารนำมาหออทุงๆรายการ น, นี้ก็หลายสองพันตะปันก็นนี้เราจะเน้แน็ยุยออรไทยอีเยอะอีกจำไม่ได้ที่เราทยอยกันมาคนละพันสองพัน คุณหมอด้วยเพราะว่าหลวงพ่อไม่ได้เล่ น, เ, เ, นเฟรชเพิร์ทเพืออ่านก็ความจากของวัดอย่างเดียวแถมนีงไม่ใช้มาี่ตัวตอบให้เขาเห็นไม่ได้เล่ น, นสระส่วนของพระเนนั้นเพื่อจะไ ป, ปะเตรียมตัวและที่สงกันคือคนที่ควรจะทำเป็นตัวอย่างคือพระเนรต่ออะไรเพราะว่าพระ แน่นั้นเป็นผูรับมา낭เรานวควรจะกลับมันเป็นผู้ให้มานีน่ว่าเขาเดือด้อนตามกําลังแต่ว่าไม่ให้เลยเนี่ยวันที่ผ่านมาเนี่ยมันดูอะไรดูไม่มีน้ำใจในตาบ้านเอง ใ, ใจก็าตามกำลังซื้ออยูน่นก็ซื้อได้สั่งของอินเทอร์เนต็ตมาเล่นมีทุกวันสั่งของไม่รู้อะไรเป็นอะไร เป็นกล่องขยะเต็มไปหมเป็นสาธารณประสยนอย่างนี้เราก็ควรตามกำลังหลุงพ่อนี่ก็เสือ sla เงินเดือนเยอะห้าพันหนึ่งเดือนปิดกรนี้ถามว่าเดือนเยอะห้าพันเท่าไหร่ันเอกสามพันสีร้อยบาทเยอะมาก ม, มันละ้อย วันละ110บาทพอแล้วค่าน้ำมันไปกลับหมดแล้วก็จะสละเงินเดือนเจ้าหน้าอําเภอหนึ่งเดือนเพื่อรวมไปนั้นบอกว่าไม่จะให้ตัเอออกแล้วตัวเองออกหรือ ย, อยัง็ระได้บอกให้รูว่าเออออกอันนี้เป็นอย่างน้อยนะเป็นอย่างน้อย ที่ว่าเรักำลังลวรวบรวมบรรจเปัจอัยทางธรรมโดยการแสดงแบ่งปันน้ำใจตัขกขันและกนรตักขันนั้นเดืนอนนาจสลักภพของเราเราควรจะเตรียมตัวบรรพระที่ยือฮาที่ยุเป็นงานขอบเราหลวงปู่สังตุบาบังเกิดบันตายสี่ยือฮาเป็นงานวันเรา ปกติยุคสองยุคสามจะเป็นการคายเปิดรูปูทองแต่ทันมโนภาพแล้วไม่ค่อยมีกิจกรรมเดือนกันยาเดือนหน้าคือสลั ก, กับผัดตอนนั้นก็กระถินวัดเราปรเดับพิธีการแปดเก้าพิธีการน่แจงคนไม่ว่าคนที่ห้าก่อนเราแจงให้ทราบ ส่วนเรื่องรายลเอยียอื่นๆนะก็ขอติดต่อสอดถามในรายละเอียดก็ตามกําลังพอเขาเือดร้อนก็จะแพรเห็นไหมของง่ายๆเป็นน้ำไฟลมเวลามันแสดงอาการโคตเกี่ยวขึ้นมามันให้ไปยังไงนี่คือน้ า, า, นาถาดน้ำถัดไปหัดลม เขาเรียกว่าภัยเหมือนกันก็ภัยไปิดได้ก็ทั้งท่าศีลของเราแล้วแต่มันมากไปมไดรดกเป็นภัยก็ปากพวกเราทุกคนวั้ น, นี้นำเสนอคนโบราณคนสอนลูกสอนหลานนี่ได้รอสมาติเอามาใช้ กับพวกเราได้อย่างไรซึ่งไม่ได้เจอคํำสอบตอนนี้ส่วนให่เราจะเรื่องของครอบครัวอย่างออกบ้านออกเรือนตั้งผู้หญิงผู้ชายก็จะคุยกันเวลากินข้าวแต่ผู้หญิงพ่อแม่ผู้ปกครองก็จะอบรมเข้าสู่ยวัยรุ่นแล้วแต่พอจะออกแก้วออกเรือนจะต้องทําตัวยังไงเอาแต่ใจตัวเอง ไ, ไม่ได้ งานบ้างงานเรือนเรือนสามนางสี่ลูกกูสอกันตามประภาพตามประสบการณ์ที่เขามีอยู่แต่ก็เชื่อว่ามีการสอนกันเพราะนั้นในสมัยโบราณสมัยพุทธกาลก็เช่นเดียวกันนางวิชาขาจริงจากที่เราหลาลึกทั้งก่อนเป็นวิชาขาขณะเป็นวิชาขาว่านางวิชาขานีเสียสละ มากมายมหาศาลขนาดไหนก่อนที่เป็นนางเป็นคนร่ำรวยมหาศาลและที่สำคัญคือคุณสมบัติของนางมิจฉาเป็นโซดาบันทั้งแต่เด็กนี่เรื่องที่เราไ ม, าคาม่ค่อยได้เน้นกันและนางก็อยู่ได้ตั้งร้อยีิสิทธิลูกหลานอีกประจุยืนกันหมดตัวลูกตัวหลานก็เลยและที่สาคัญคือเหมือนสาวรุ่น อายุร้อยกว่าแล้วแต่หน้าตาผมเผาแล้วไม่งอกฟันเฟินเดี๋ยวเนจ ก, กะเรียนีครบห้าปุทธิตบัตกำลังยาขาส่วนมีอะไรบ้างเราก็เอาไปอ่านกันดูตัวที่พูดไปเนี่ยเป็นโอวาสก่อนเดิไปสู่ บ, บ้านท่านอาจารย์เศรษฐีอินเดียสมัยก่อนว่าแต่งานเนี่ยมนนีตอนอย่างคือ แห่ผู้ชายไปหาผู้หญิงปุงริงานแห่ผู้หญิงไาผู้ชายเหมนบ้านเราเนี่ยนะแต่บ้านเราน่าจะผู้ชายไปหาผู้หญิงบางที่ผู้หญิงไปหาผู้ชายช่วยแต่งเขา่าแต่งออกแล้วิวาหา์อาวาหะมงคลอินเดียสมัยโบราณม่เช่นเดียวกันเอาแนวข า, าขาไปบ้านร้านหนึ่งขนาดใจเสรษฐี ก็ถือเป็นปสกุลเศรษีเศรษีน่งก่อนที่จะไปคนที่ให้ว่าสคือคุณพ่อโวานดาวจะค่ะว่าแต่งงานแล้วเราไม่เดอนไปอยู่ทางน้นควรจะทำยังไงเรแ่้วโอวาสิทธิ์ข้อแรกอาจจะไม่ไเรียงตามลำดัเขาจำไม่ได้แม่นขนาดนั้นแต่ว่ามีสิบพอ่อพยายามผู้หครบสิบพอ่อ ข้อแรกคือไฟในอย่านาออกพูดถึงไฟไฟในอย่านําออกสองไฟนอกอย่านําเข้าสามให้แต่คนที่ควรให้อย่าไปให้แต่คนที่ไม่ควรให้แล้วก็จงให้แต่คนที่ควรให้และไม่ควรให้ เขาจไม่ได้เรียนกินเป็นสุกนอนให้เป็นสุกนั่งให้เป็นสุกบำเรวไฟข้อสุดท้ายคำเตวอด้านภายในสิบข้อมันเหมือนก็เปปิศนาเป็นคำคมคำปิศนาข้อแรกภายในเย่านํำออกอะไรใช้ได้ใช้กับวัดเราก็ได้ใช้กับบ้านเราก็ได้ ภายในะอย่านําออกหมายความว่าเรื่องภายในไม่ดีของครอบครัวตัวเราเองไปข้างในอย่านําออ ก, อ ย, อ, อ, กอย่าไปโป้อย่าไปเล่าคนอื่นก็าฟังเหมือนวัดเราเนี่ยของไม่ดีจะเสียหายหายแต่อย่าไปเล่าข้างนอกของดีมีที่ให้ในเราไปเล่าจะของไม่ดีเห็นไหมอันนี้คือในิสัย แค่ที่จะเล่าของดีๆกลับไปเล่าแต่ของที่ไม่ดีตัวอย่างเราก็มีเหยียดนะมีรู้กี่ข้างเดียวมีรอบๆของดีมีเยอะไม่เล่าไม่เอาไปเข็บไปคิดไปพูดแล้วออกไปในอย่าเอาออกพราะมันไม่ได้ไปรนอะไรคนอื่นพขาฟังก็จะสมเพศเวทนายินทุกถูกถูกดูเหม็นเหยียดยามเขาอีกเขาไม่ได้ยินดียินลายกับเราด้วยก็ไม่เขี่ยอะไรกับเขา คือเราไปเขาก็จะฟังว่าโอ้ข้างในมันเละเทะเหมือนครอบครัวของเราเหมนกันพ่อผัวไปอย่างนั้นแม่ผัวไปอย่างนี้เป็นเล่าคนอื่นเขฟังไม่ได้ไปดูคนอื่นเขาจะคิดต่อโอ้โหในขนาดพ่อแม่เอามาเล่าให้คนฟังแ ล, ล้วเราเป็นใครเขาก็จะคิดต่ออยนะ่างนี้นเราจะรอดหรือมันเป็นไปนะอย่าไปผอพันตัวเองอย่าไปผอ้วัด วัดก็อยู่สงบร่มเย็นเป็นศกอยู่แล้ ว, วนี่คือข้อแรกไฟในอย่างออกไฟนอกอย่านำเข้าเรื่องข้างนอกไม่เกี่ยวก็บครอบครัวไม่เกี่ยวกับวัดเราเลยอย่านำเข้ามันเป็นไฟเดี๋ยววัดโน้นทำอย่างนั้นวัดนี้ทำอย่างนี้ เ, นเรื่องของวัดเขาวัดเขาตั้งกฎกติกาละเบียบไม่เรื่อ ง, องวัดเขา พรางพอเราพี่นะรูหน้าองค์โน้ตหลวงปู่จอนอย่างนี้เป็นเรื่องวัดเขาใม่เกี่ยวเดี๋ยวม า, ม า, า ง, า ง, เ, งาเดี๋ยวไปนอกจะนํานเข้าถ้านําเข้ากัมนมาก็เอาไปมาพอบ้านตัวเองมันก็ไม่ได้อะไรแต่จะให้ดีคือแค่ขายปรับปรงช่วยกันบอกช่วยกันกล่าวว่าเราตักเตือนด้วยความเมตตาคือเมตตากายกรรมเมตตาวาจิกกรรมเมตตามนโนกรรม หมายก็ว่าจะพูดกับประกขาด้วยเมตตาแต่คิดก็ต้องประกอาด้วยเมตตาแจกก็ต้องประกอบด้วยเมตตานจภไยนอกจะนําเข้าจงให้แก่คนที่ควรให้หมายก็ว่าอยากิะโกงอุติการญยากจะทำที่น้องที่เขายากเขาลําบากกว่าเราแต่เราพอหนีแต่ไม่ใช่ว่าให้จนตัวเองลาบากจ่ายตัเองอันนี้ไม่ได้ ให้ถ้าที่เรามีได้ถ้าที่เราทำจงให้แกคนที่ควรให้เรียกว่าควรให้เป็นญาติคนรักฐานะเราดีกว่าก็มีตังก็ให้ตามสภาพไม่ได้ให้จนหมดจนไม่เหลืออะไรให้แกคนที่ควรให้ผู้อื่พวกคุณเป็นต้นอันนี้เรายังไม่ได้พูดถึงสมณะสี่าหมณันเป็นเรืองที่ควรให้โดยตรงอยู่แล้วอันนี้คือกติกาข้อที่ไปคือ ไม่ควรให้แกคนที่ไม่ควรให้ก็คือคนประเภทแรกนั่นแหละคือให้ไปแล้วให้ยืมไปแล้วแต่ไม่มีกจตารใดๆเลยตอนยืมมันเดือดร้อนยกมือปลกปลกแต่ตอนคืนนี่สิจำกันไม่ได้อันนี้ไม่ควรให้บอกไม่ควรให้คนประเภทนี้แต่แค่จะให้ก็บอกว่าของเก่าออกมาคืนก่อน ไม่ใช่ไปใจอ่อนไปจุดๆทุกเรื่องมีปัญห า, อาออของตัวเองเขาควนไปอ่อนของตัวเองคนประเภที้ก็ไม่ควรให้ไม่ควรให้อย่างยิ่งคนที่ประเภทต่อไปคือควรให้กับคนที่พึงให้และไม่ให้และความตีพิจะะารณาบางทีก็ลาบากจริงๆอะไรก็พิจารณาเป็นรายๆไปเช่นญาติฝ่ายพ่อฝ่ายแม่ ไปครอบครัวไปสามีเป็นต้นเฉพาะกรณีไปควรให้จริงคนควรให้และไม่ควรให้ดยู่กัานพิจารณาต่อไปคือคือนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขกินเป็นสุขอันนี้นั่งเป็นสุกก็คือนั่งในที่ควรจะนั่งอย่างเช่นผู้หลับผู้เย่เขานั่งยังไง วัฒตานกับพื้นสมมติบ้านเราโดยมารยาทเราเป็นหนุ่มเป็นสาวเราเป็นนางที่โสนั่งที่ไม่ควรนั่งนั่งขวางทางประตูบันไดเห็นไหมโบรานเขาถือคือเกะกะขวางทางนั่นเองเรียอนั่งไม่เป็นตกนั่งไม่ที่ควควจะนั่งนอนเป็นตกนอนเป็นตกหมายความว่าการดูแลผู้ใหญ่ อุปถากตัวแลพ่อปัวแม่ปั่หรืว่าปู่ให้ผู้ใหญ่นอนก่อนเรานอนทีหลังเหมือนคุณสมบัติของพระอุปถามเลยคุณสมบัติของอุปถากคือกินก่อนนอนทีหลังให้ท่านกินก่อนตัวเอง เ, อเวลานอนนอนทีหลังแต่พูดยังไงก็เวลาตื่นตื่นก่อนนอนหลัง อะไรจำง่ายง่ายเหมือนกันเพรวฉะนั้นคนอิเดียเองได้ลูกสะใภ้มาคนหนึ่งเหมือนกับได้คนชรัพยใช้เลยอีนเดียโบราณอันนี้นั่งเป็นศึกนอนเป็นศึกนอนก็เหมือนกันลักษณะเดียวกันบริโภคก็จะเดียวกันต้องให้กินก่อนกินทีหลังอันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกันแต่โบราณสมัยก่อนเขาเป็นอย่างนั้นต่อไปก็พุ่งเป็เรือไป ความไฟในก็นได้คือพ่อผัวแม่ผัวแถ้าไม่เอาใจใส่ดูแลเนี่มันจะยุ่งยากลาบากเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องดูแลที่เราไฟไม่งั้นที่กลายเป็นไฟข้อสุดท้ายทําเทวดาอยู่ภายในเทวดามีภายในคือว่ามองพ่อผัวแม่ผัวเป็นเทวดาทําไว้ในใจเสมอไม่งั้นเทวดาจะไม่รักไม่ชอบไอ้ชาง แต่ที่จะาคันกันมุ่งไปที่ใจเขาตัวเองอะทําเทวดาไม่เปนใรแต่ว่าทำใจตัวเองให้มีเฮริโอตาปาคำว่าเทวดาเพราะว่าเฮริโอตาปาเป็นคุณสมบัติของเทวดาคนที่จะออกจากเราไปเร็วจุติรูเคลื่อนจะกเราไปอุบัติเกิดขึ้นโลกภายนอกโลกข้างหน้านคุณสมบัติคนนั้นจะทำมีเฮริโอตปะเห็นเป็นเทวดาได้ ก็ม่ใมีโอตปะมีคุณสบายของเทวดาซึ่งบริกรรมไม่ค่อยมีเมื่อมันไม่มีมันก็ถึได้เป็นอย่างนี้มันจะได้รุ่นวายอันนี้คือโอวาทเจ็บพ่อที่ครอบครัวมอบให้นางวิสาขาเมื่อแต่งงานอยู่นี้กอมีคือครอบครัวแล้วนางสาขาแต่งงานที่วัยรุ่น ยี่สิบหกสมัยนั้นเป็นนิยมสิบห้าสิบหกกแต่งงานกันเลยในสมัยโบราณพราะฉะนั้นเราได้อะไรจากเรื่องนี้พวกเราเราไปช่ิดดูแต่เราก็แต่แลราก็มีความหมายสมมติที่มาประยุกต์ใช้สมมติว่าภายในอ ย, นะอยากน้าออกก็ลองทาดูเอาเรื่องในวัดในว่าละคนนั้นคนนี้คนโน้นพระองค์นั้นอง น, น, อง น, น, องนี้องนู้นจะเป็นเล่ากันฟัง ที่ผ่านมามันก็เคยมีเคยเป็นไม่เป็ น, ปนหลัๆกๆแคเข้าเจ้าวาดก็ไม่เหลือมันจะเป็นเหลืออะไรตันี้ไฟนะมันมีอะไรเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนถือว่าเราเป็นพวดเดียวกันมีอะไรคอยบอกคอกล่าวโดยเฉพาะถ้าจะพูดถึงคนอื่นเน่ยคนจะพูดในเรื่องที่มันอยดีๆไม่ได้แปลว่าปกปิดปิดบัง เพราะว่าถ้าพูดถึงพระองไม่ดีมันไม่ได้จากไหนแล้วคนอื่นของบองเราก็เป็นคนที่ไม่ดีอะไรวนินทานเพราะวันอินเดียเราเล่าขวัญเราขวัก็คืออินทานเนี่ยเป็นเรื่องที่ม่ดีด้านภาษาการเนี่ยเขาอยากฝึกขัดสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นเรื่องปัจจัยภายนอกองค์ประกอบแต่ถ้าเราเป็นคนดีศีลมีธรรมอยู่แล้วนั้นมันไม่น่าเป็นห่วงมีศีลก็คือ รักษาศีลด้วยตัวเองหรือเขเสี้สยนเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเพราะมันคุมกันหมดแล้วเอาแค่ศีลห้าก็คุมทั้งหมดแลมันอยู่ในมุสาวาทานการดิจิติศีลเทีนท้าว่ายากกว่คนอื่นพูดสอเสียดพุทธาเร็วไหลไรลสาระเอาไปอยู่ในศีลห้านี่แหละไม่ได้แปลว่พุทธเถอย่างเดียวนะองค์ประกอบ ข, ของศีลห้ามันเยอะมากม น, นี้เยอะธรรมดานช่วงนี้กระแสเรื่องศีลห้า น, นี่ หรือก็แรงพอสมควรอาตารยพูดถึงพระเมื่อกี้เราพูดถึงแนวช้าขาว่าเป็นอยายะบุคคลขั้นแรกคือโซดาบันตั้งแต่เป็นสาวๆที่ดูพะนักุณสมบัติของนางวิสาขาคือไม่ต้องไปห่วงเลยสินห้าในเป็นหลักสินของพระอริยะเจ้าตั้งแต่โซดาขึ้นไปเขาเรีรยกว่าอยะกันตัดสิน ถ้าจะไม่ล่วงละเมิดสิงเพราะฉะนั้นถ้าแค่บอกว่าพระอริยเจ้าหรือพระอรังคัหรือสดาบันยังเป็นล่วงละเมิดข้อการมียอยู่หมายความว่าส่วนครอบครัวไม่เกี่ยวลุกโผล่ตัวเมียวของพระเองคไม่เกี่ยวการเมเยก็ยังใช้การอยู่แต่ว่าพูดถึงอย่างยินดีของคนอื่นอยู่ยังละเมิดอยู่อันนั้นไม่ใช่ละไม่กี่วันที่ผ่านมาก็มีกระแสอย่างนี้ อันนี้ต้องระวังเพราะว่าอะไรที่พระพุทธตรัดแล้วนี่ต่อไปคัดค้านมัแสดงความเห็นนั่นเป็นการจับจ้วงประพุทธประธรรมพระรสศม์คุณสมบัติของพระรัตนตรยัยมันไม่มีสำหรับตัวแล้วเพราะนั้นคุณสมบัติอีกข้อหนึ่งก็คือพระรัตนตรยัยคนที่เป็นอริยะกันตสินเสร็จแล้วพระรัตนตรัยที่เราสมาทานที่เรากราบเราไหว้กันเนี่ยเขาไม่ต้องสมาทานอย่างพวกเราแล้ว มันจะอยู่ในใจตลอดหมายกว่าพัฒตาใจมั่นคงเพราะนั้นถ้าสองข้อนคือสีนห้ามั่นคงชัดเจนไม่ลวงละเมิดพระรันาดม่งคงคุณสมบัาตาิไปคืออบายที่จะไปข้างหน้าเนี่ยไม่มีสำหรับท่านเหล่านั้นที่จะตกเป็นนรกเปรตอสุรกายสัตว์ยกราชานไม่มีแต่ไม่ได้ไปเกิดอย่างนั้นเด็ดขา เี่คืสิ่งที่พุทธเจ้ตัดแล้วหรือว่าพุทธเจ้ตัดแล้วเป็นหนึ่งไม่ถึงสองเพราะว่าท่านพูดอย่างไรทำอย่างนั้นทำอย่างไรพูดอย่างนั้นนี่คือคุณลักษณะของพุทธเจ้่เคยย้มอยู่เสมอว่าเราก็ควรจะเอาเรื่องนี้เป็นแนวคิดแนวปฏิบัติในชีวิตของเร า, ราบ้างรดยว่าสิ่งห้านี่เป็นหลักแล้วก็พูดอย่างนี้เป็นพันปีแล้วสี่งห้านี่เริ่มต้นจาก ที่เป็นการลักล้าคือมี ร, รัฐรัฐหนึ่งที่อินเดียใ น, นใน16รัฐชื่อว่ากูรุใน16รัฐอืขังค่ามากุฏกษัตริย์โอชิอมาราชกตีวังสคกกูรุหนึ่งใน16รัฐกูรุก็เป็นบรรด์มกุฏกูรุได้เป็นรัฐนันหนึ่งที่คนทั้งบ้านทั้งเมืองลูกเล็กเด็กเกินทุกคน ถือสีนห้าเป็นหลักไม่เคยมีทีไ่ไหนะครไม่เคยมีป็นประเทศหรือรัฐใประ เ, รเ น, รนี้เพราะฉะนั้นสินห้าจึง เ, เรียกอีกหนึ่งว่ากุรุธรรมธรรมของชาวแวคว้นกุรุเขาก็ร่มเจ็นเป็นสุขอยู่ได้ด้วยความผาสุขอันนี้คือต้นแบบต้นเรื่องของเขาว่าสีนห้า ไะนั้นเอาเป็นไปได้ปัญญาการนี้เรอยากให้พวกเราทุกคนเอาสินห้าเป็นหลักก่อนสินแปดมันก็เพิ่มไม่เกีข้วไม่เีเรื่องที่เกี่ยวกับรูปร่างกายตัวเองเรื่องการกินการใช้เครื่องประดับการดูหนังฟังเพลงเป็นต้ น, นการนอนอยาสุขสบายบนที่นอนนุ่มๆอานาคเก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ประเด็นหลักก็คือสินหน้ารูปางก็เรื่องที่เป็นเรื่องให ไม่กี่ข้อเองแต่ห้าข้ออยากให้พวกเราพริจารณาทบทวนอย่างทุกวันเราก็เชื่อทุกคนมีสิ่งมีธรรมก็คือใช้สติปัญญาถ้าจิตเรามีอยู่เนี่แหละพิจารณาสิ่งรอบตัวรอบข้างให้มันเป็นธรรมคือให้เป็นธรรมะให้เป็นธรรมชาติให้เยุมองเห็นว่าทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติของเขาอย่างเช่นเนี้ย ดินน้ำไปลมอย่างเงี้ยน้ำพ่วมเนี่ยอาโทก็เป็นธรรมชาติอย่างนี้มีเกิดมิมีใครอยากจะให้เกิดนล้วมาเกิดมนแล้วก็ต้องเดดูแลกันต่างกำลังต่างสภาพพุมเลยเป็นภัยได้หมดไม่แค่ที่อยู่ตัวเราเนี่ยมันเป็นภัยได้หมดอันนี้ภัยที่เด่นๆคืออยู่จากธาตุจีกันห้ า, ท, า 5, ที่เรามีอยู่ธาตุก็คือดินน้ำใบลเราจะมาพูดถึงภัยของขันนี่เพ่ภัยของธาตุนะ ธาตภายนอกเลยทำไปมองเห็นได้เจนแต่ธาตุที่เป็นภายในตัวเราในตัวเราเรากลับมองไม่เห็นอะไรเลยเป็นเรื่องทีน่ากลัวนี่แล้วใครที่เกิดจากขันที่เป็นปัดกองกอย่างเนี่ยรูปเวทนาที่รับนักงานเฮ้ยเราก็มองไม่เห็นว่ามันเป็นใครว่ามันเป็นโทษเป็นใครมันมองไม่เห็นะเพราะฉะนั้นทั้งสองเรื่องนี้ถ้าเรายังมองไม่ออกว่ามันเป็นใคร คือมันให้โทษตบเราไม่มีทางเลยในการปฏิบัติที่จะรู้แจ้งเห้จริงตามความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นน้อยแต่เราอยากคิดไม่ได้คิดไม่เป็นคือไม่เกิดปัญญาจะเป็นยังไงเพราะนักคนปฏิบัตินั้นจะต้องเกิดปัญญาด้วยตัเองปฏิจะรู้แจ้งเห้จริงๆริงตามความเป็นจริงแล้วก็วางความเป็นจริง่นดินล่างไปลง เขาก็มีเขาหแล้วไม่อยู่ในร่างกายเราธรรมชาติมันก็มีอยูแล้วห้ยน้องปองบึงน้ําทะเลมาหมาสมุดซึ่งโลกนี้นน้ําเยอะกว่าเพื่อนนําไปเยอะกว่าเพื่อนในบรรดาธาตุทั้งสี่คือดีน้ําไปลงธาตุน้ําเยอะกว่าเพื่อนเอาแค่บนโลกเป็ น, นทะเลมาหมาสมุดพวกเก็บหมาสมุดเนี่ยมันเยอะกว่าธาตุอื่นธาตุอื่นๆืที่มีอยู่ ไม่แต่ในร่างกายเราช่นีกันขาดไม่ได้ต้องเติมเข้าไปด้วยฐานน้ำก็เหลือเติมทั้งวันไม่เติมร่างกายอยู่ไม่ได้อันนี้คือธรรมชาติที่มันเป็นอยู่มันการปฏิบัติธรรมคือต้องการให้เราเห็นความจริงอย่างนี้กะเหตุตั้งโทษและคุณของเขาสิ่งใดมีโทษจิงนั้นมีคุณสิ่งใดมีคุณสิ่งนั้นมีโทษชัดเจน มันไม่ได้เมีทุกอย่างไม่ไมีคุณอย่างเดียวมีโทษอย่างเดียวแล้วถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ในชีวิตประจําวันในทุกเรื่องเราจะเข้าใจความเป็นจริงคือธรรมะนั่นแหละคนที่เาราเจะธรรมะเราจะความเป็นจริงแล้วเราก็อยู่กับความเป็นจริงอย่างนั้นตามธรรมชาติของเขาเขาอยู่ยังไงเขาก็อยู่อย่างนั้นไม่ได้เดืดรอนอะไรร่างกายสังขารเราก็เช่นเดียวกันเขาอยู่อย่างนี้มานานแล้วดึงน้นนาไปลง รูเสียงเกิดและผุดถะนี้มานานแล้วเทียแต่เรายังไม่รับรู้สิง่งเหล่านี้ไม่เข้าใจสิง่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงมันจึงวางเสิง่งเหล่าไม่ได้แปลว่าอะไรวางสิ่งนี้ไม่ได้แปลว่าอะไรเพราะเราถือมันอยู่โดยที่เราไม่รู้ว่าเราถือม mm ัน hmm. จึงวางไม่ได้คือวางใจไม่ได้ที่วางใจไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าเราถือแต่ถ้าเราคิดอยู่ว่าตอนนี้เราถืออยู่นะถือคืออุปทาน จึงมีทุกคนไม่มีใครที่ไม่ถือที่นี่ไมใ่ใครไม่มีอุปทานแต่ไม่รู้ว่าตัวเองว่ามีอุปทานไม่รู้ตัวเองว่าถืออยู่ถ้าเรารู้ว่าเราถืออยู่เช่นแบกของหนักถือของหนักไม่รู้ว่าหนักแล้วก็วางเออบางชั่วคราวก็ยังดีก็วางอารมได้เป็นครัง้งเป็นคราวก็ยังดีแต่ถ้าวางไม่ได้เลยเนี่ยถือไว้ตลอดแบกไว้ตลอดโดยตัวเองไม่รู้แล้วก็ได้แต่ บ, บ่นว่าเออทาไมมันหนักเหลือเกิน เราจะรู้มันนักอะไรมันหนักอันนี้ต่างหากที่เราไม่เข้าใจหลักคิดหลักพูดหลักทำเราเป็นหลักธรรมะของพุทธเจ้าพุทธเจ้านั้นสอนผู้มีปัญญาปัญญาไม่เกิดก็ทําอะไรไม่ได้มันก็เท่าเดิมหมายความรู้ความสามารถที่ละตอนปล่อยวางท่าทีกันห้านี้มันก็เท่าเดิมมันไม่มีอะไรเพิ่มเพราะปัญญาไม่เพิ่มมวยเพิ่มมันก็หนักอยู่นี่แหละจะเป็นคาระจะได้วันหนัก มันหนักเรื่องเพราะนั้นถ้าเป็นไปได้อะไร่็ปล่อยได้อะไรกวางได้ก็ปล่อยก็วางบางเรื่องบางอย่างก็ยังดีถ้าปล่อยไปหมดเอาแค่บางเรื่องบางอยา่างฝึกทีลอันไหนที่มันทำง่ายทำยากระหว่างยากกับง่ายอันไหนทำได้ง่างเอนกันไม่เหมือนกันบกงคนถนัดเเรื่องยากต่อวันนี้ก่อนบอกโคนเรื่องง่ายๆเอาเรื่องง่ายก่อนแต่ถ้าเราทำจากเรื่อง ง่ายไปหาเรื่องยากนะจะเป็นเรื่องดีที่สุดคือถัดจะเรื่องเล็กๆจะเป็นเรื่องหเมัอนเรานับจริงๆเรานับจากศูกนย์ไปนับหนึง่งศูนย์หนึ่งสองสามแต่จริงๆเราจะนับหนึ่งเลยนับเอาคือมันมีแล้วเลยจริงๆมันไม่ไม่มีหลักจุดศูย์ เ, นเลน่นไปนับศูนเราตัวสุดท้ายแต่ก็ดีนะมันเป็นปริศนาธรรมหนะึ่งสองสาี่ห้าจ็ดแปดเก้าสุดท้ายศู 0. นยะ์ะนั่นคือปายทางของพวกเรานะ คือถ้าศูนย์นะเราไม่ได้อะไรก็นศูนย์เปล่าที่ได้มาทั้งหมดแม้แต่ชาติกันห้านี้มันก็จะกลายเป็นศูนย์อันนี่คือสิ่งที่เขาสอนเรานางกระฝากพวกเราสักคนับภาษาการนี้ช่วยกันบำเพ็ญสร้างบารมีตัวเองให้มันมากขึ้นเท่าที่จะมากได้ให้มันเยอะเท่าที่อยู่ได้เรียกบารมีเพื่อทำให้มีถ้าให้เป็นทําให้เต็มทาให้มันถึงฝั่ง ต, ตอนนี้เราควนเวียนอยู่ในทะเลมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลถูกมันทัดไปสัดมาเป็นเดียวก็ปลาแต่ละทัดไม่สามารถจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งได้มันคือพันธุ์พนก่อนหน้นการสร้างบารมีที่เป็นเรื่องจําเป็นเพื่อจะข้ามไปฝั่งนั้นให้ได้ตันท่ข้ามไปฝังงป่งนั้นแล้วเรือเที่เรใช้อยู่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็เราข้ามไปฝั่งนั้นแล้วบน ก, วาากับผู้บัญชาท่านก็ไปว่ารูปร่างกายชาติการฆ่าทั้งเรานี้ที่อาศัย ที่ข้าไปข้างหน้านั้นมันก็มีประโยชน์อะไรแล้วมันก็ผุพังไปตามกาลเวลาของเขาแต่ตัวนั้นไปต่อถึงฝั่งแล้วสำหรับพวกเราที่ยังไม่ถึงฝั่งมันก็จะเป็นอย่างเนี้แต่นเี่ปกติเรื่องธรรมดาถ้าเราไม่รู้ตัวว่าเราดังอยู่ในท่ากลางทะเลมหาสมุทรที่มันเชี่ยวกราดพัดเราวนไปวนมาอยาู่อย่างเนี้อันนี้ก็เรียกว่าไม่รู้ตัว เมื่อไม่รู้ตัวเดียวมีเดียวคือทําให้รู้ตัวทําให้รู้ตัวก่อนน่าเกลียดที่สุเมื่อรู้ตัวบ่อยๆจะเกิดตัวรู้อารแรกรู้ตัวจนเกิดตัวรู้อันนี้คือเป้าหมายในการปฏิบัติของพวกเราประกอบมุตนาความดีที่พวกเราทุกคนตั้งใจมาสำหรับารการนี้เป็นตะวันตกแดดออกก็เราเราก็ยัง มากันอยู่เพื่อรักษาอายะตามยม ท, ที่หนึ่งที่สำคัญคือเพื่อสร้างคดีกตเดียนเองแต่ที่สำคันเป็นตัวอย่างของ ล, ลูกรุานหลานที่จะเกิดสุดท้ายภายหลังได้เห็นตัวอย่างเป็นบุคคลต้นแบบเป็นคนตัวอย่างให้เขาเติมวันชีวิตเหมือนอย่างพวกเราที่ทําอยู่ในปัจจุบันนก็กนมุนธนา